แล้วนะว่าพวกเราชาวปุตเนี่ยควรน้อมเอานิพพานเนี่ยเป็นจุดหมายของชีวิตเพราะเหตุว่านะประกาศแรกเนี่ยมันช่วยทำให้เรามีความเพียร น, นะมีความขวนขวายในการทำความดีค่อยๆเป็นแรงกระตุนนะให้เราเนี่ยทำความดีโดยเฉพาะความดีที่ทำได้ยากก็จะ กล้านะกล้าทำกล้าเ ส, รสลระการบำเพ็ญบารมีนะซึ่งถือว่าเป็นความเดียนยิ่งยวดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยนะที่เราอยากจะทำนะโดยเฉพาะนะทานและศีลเนี่ยนะถ้าเราเอาพระนิพพานเป็นเป้าหมายเนี่ยก็จะนึกถึงการสละการ ไม่ใช่แค่สระเงินทองนะแต่แม้กระทั่งอวัยวะหรือกระทั่งชีวิตเนี่ยก็ก็พร้อมที่จะทําได้นะถ้าว่าเราจริงจังกับจุดมุ่งหมายของชีวิตดังกล่าวถ้าเราไม่มีจุดมุ่งหมายเนี่ยนะมันก็หรือเป็นจุดหมายต่าๆเนี่ยไอการทําความดีก็อาจจะไม่ค่อยกระตือล้นเท่าไหร่ชเช่นตั้งจุดมุ่งหมายว่าอยากจะเป็นเศรษฐีอยากจะ หาเงินให้ได้10ล้านนะภายในเวลา5้าปีหรือเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเป็นร้อยล้านไปแล้วก็จะคิดแต่เรื่องการทํามากินนะแต่ว่าไอ้การทําความดีก็จะไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่แต่พอเราคิดว่าเนี่ยจะมุ่งเอาพระนิพพานเป็นจุดหมายของชีวิตเนี่ยก็จะเกิดความเพียรเกิดความพยายามมากขึ้นแม้ว่าจะยากก็ตาม ประการที่2เนี่ยเวลาเจอความทุกเนี่ยนะคนเราเนี่ยบ่อยครั้งพอเจอทุกข์เข้ามากระทบเนี่ยนะก็จะเกิดความโกรธความเศร้าโศกเสียใจนะบางทีก็ลืมตัวบางทีก็เสียศูนย์แต่พอเราคิดว่าเนี่ยจุดหมายของชีวิตของเราคือนิพพานเนี่ยนะไอ้ความทุกข์เหล่านะั้นมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยอาจจะได้สติ ค, คิดว่าโอ เข้าต่อว่าด่าทอแค่นี้ยังหัวเสียยังกลุ้มใจเงินหายนะตกเครื่องบินรถติดแค่นี้ก็ยังทำใจไม่ได้แล้วอยางงี้จะไปนิพพานได้อย่างไรอย่างงี้จะเข้าถึงนิพพานได้อย่างไรมันทำให้ได้สตินะบางคนเจ็บป่วยแล้วก็โวยวายตีโพย ต, ตีพายว่าทำไมต้องเป็นชั้นทาไมต้องเป็นชั้นหรือว อ, อกหัก คนรักทิ้งไปเนี่ยก็เอาแต่เศร้าโศกเสียใจแต่พอแต่พอคิดได้ว่าเออชีวิตเราเอาพระนิพพานเป็นเป้าหมายไม่ใช่หรอไ อ, อ้ความทุกแบบนี้มันจะกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยมันจะได้คิดวแบบ่าโหแค่นี้ยังฟูมไฟโอยวายตีโพยตีพายเลยจะไปถึงพระนิพพานได้อย่างไรทุกอย่างจะกลายเป็นเรื่องเล็กไปหมดนะความทุกนะเมื่อเราเอาพระนิพพานเป็นจุดหมาย หรือบางครั้งเราจรู้จี้ว่าโอ้ทาไมเราถึงเจอความทุกข์มากขนาดนี้คนอื่นไม่เห็นทุกข์เหมือนเราเลยเหมือนกระถูกชะตาการรมกันแกล้งบางทีมันมีความโกรธมีความนื้อเนื้ อ, อ, อต่ําใจนะแต่ถ้าเราลองนู้สึกว่าโอ้เนาะอันนี้คือข้อสอบนะอย่างที่บอกไว้แล้วว่านิพพานเนี่ยก็อาจจะเหมือนกันเหมือนกับปริญญาเอกนะ กว่าจะจบปริญญาเอกได้เนี่ยมันก็ต้องผ่านนะการบ้านต้องเจอข้อสอบที่ยากๆมันจะยากกว่าข้อสอบของนักเรียนประถมนักเรียนมัธยมนักเรียนหรือนักศึกษาปริญญาตรีคนอื่นก็จะเพียงแค่นะสอบเอาปริญญาตรีแต่นี้เรากําลังจะเอาปริญญาเอกนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าข้อสอบที่เราเจอนะีมันจะยากคนอื่นมันก็เป็นธรรมดาไม่ใช่หรือนะยิ่งของที่ ประสเสดเท่าไหร่เนี่ยนะอุปสรรคมันก็ต้องมากตามไปด้วยนะถ้าเรามองว่าอุปสรรคหรือความยากลำบากในชีวิตเนี่ยก็คือบททดสอบหรือข้อสอบนะซึ่งมันย่อมต้องยากนะไปตามระดับขั้นของจุดมุ่งหมายนะที่เราอยากจะไปให้ถึงคนที่มีจุดมุ่งหมายอยู่บนเขาสูงเนี่ยนะมันก็ต้องเหนื่อยนะมากกว่าคนที่จุดมุ่งหมายเนะี่ยอยู่บนพื้นราบ เพราะนั้นาคนนี้ก็เดินสบายนะแต่ว่าเราเดินลําบากนี่มันก็ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเป็นธรรมดาเพราะฉะนัเราพันธิพาเปจุดหมายนี่นะเจออะไรเนี่ยเวลาเจอความทุกข์เราจะรู้เลยว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องฝึกต้องลดต้องละต้องปล่อยต้องวาง เ, เจอเรื่องแค่นี้ยังปล่อยวางไม่ได้คดาําด่าคําตอบว่าด่าทอของเขานี่ยังเก็บเอามาคิดไม่เลิกไม่ลาแล้วยังงี้จะ ป่อยวางตัวตนป่อยวางตัวกูของกูได้อย่างไรเรื่องเล็กแค่นี้ยังปล่อยไม่ได้แล้วเรื่องใหญ่นะแม้กระทั่งกายและใจเนี่ยจะปล่อยวางได้อย่างไรให้ลองคิดแบบนี้นะมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถจะก้าวข้ามผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้แล้วก็ทําให้เราเนี่ยมันทําความดีเนี่ที่ทำได้ยากอันนี้นอกจากนิพพานแล้วเนี่ยบางคนเนี่ย อาจจะคิดว่าโมันเป็นสูงหรืเป็นสิ่งที่สูงเหลือเกินนะบางคนสงสัยจะ้รามีจริงหรือเปล่า น, ะนั้ิพพานเนี่ยหรือถึงเชื่อมีจริงก็อาจจะคิดว่าโมันเป็นเรื่องที่ไกลนะต้องผ่านหลายภพหลายชาตินะกว่าจ ะ, ะเข้าถึงได้ก็อาจจะท้อหรือว่าไม่แน่ใจว่าทำแล้วมันจะได้ผลจริงหรือเปล่าก็ให้ลองนึกอีกอย่างหนึ่งนะนั่นคือความตาย ความตายของเราเองนิพพานความตายนี่ถ้าจะว่าเปแล้วนีตรงข้ามกันเลยนะนิพพานคือความไม่เกิดไม่ตายนิพพานคือความสุขบรมสุขนะนิพพานประมังสุขขังนิพพานนั้เป็นสุขอย่างยิ่งนะแต่ความตายเนี่ยนะถือว่าเป็นสุดยอดแห่งความทุกข์เลยเจออะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่นะเท่ากับความตายนิพพานอาจจะอยู่ไกลนะ แล้วก็ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่านะแต่ความตายเนี่ยมันจริงแท้แน่นอนแล้วก็อยู่ใกล้ตัวเรามากอย่างที่มีภาสิทิเบตบอกว่าเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกนะว่าระหว่างพุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อ น, อนเดินลงบันไดนะอาจจะพลัดตกบันไดหัวกระแทกพื้นตายก็ได้หรือว่าเข้าห้องน้ำลื่นถลหลนะเสีษาฟาดพื้นนะตายก็ได้ มันใกล้ตัวมากแต่ทั้งที่นิพพานเนี่ยกับความตายเนี่ยเหมือนกับเป็นสิ่งตรงข้ามกันเลยนะแต่ว่ามันก็มีประโยชน์อยู่อย่างหนึ่งนะเวลาเรานึกถึงความตายเนี่ยมันทำให้เราขวนขวายในการทําความดีเพราะว่าความตายนี่มาบอกให้เรารู้ว่ามาเตือนเราว่าเราชีวิตนี้เนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นาน นะเพราะฉะนั้นไม่ควรปล่อยเวลาผ่านเลยไปโดยปราบประโยชน์ต้องเร่งทำความดียิ่งเวลาเรานึกถึงความตายของเรานะว่ามันอาจจะเจ็บปวดอาจจะทุกข์ทรมานนะลองนึกภาพนี้ไว้บ้างนะเวลาไปเยี่ยมคนป่วยตามโรงพยาบาล น, นะมีสายระยงระ ย, ะยางคนเหล่านี้เนี่ยเขากลังสอนเราว่าวันหน้าเราก็จะเป็นอย่างเขาอะ เวลาเห็นความทุกข์ทรมานนะของคนที่กําลังจะตายเนี่ยถามใจตัว เ, เองว่าเอยเราจะผ่านความทุกข์อย่างนั้นไปได้ไหมคนที่เขาคิดว่าเนี่ยเราจําเป็นต้องเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อที่จะต้องเพื่อจะได้ผ่านความทุกข์ความทรมานในขณะที่กําลังจะตายเนี่ยนะก็จะยิ่งเห็นความสําคัญนะของการทําความดี ทำความดีให้มากๆนะแล้วก็เราเป็นความชั่วนะเพราะว่าความดีที่เราทาเนี่ยมันก็จะส่งผลทํให้ให้การตายของเราเนะเมื่อวันนั้นมาถึงเนี่ยมันก็จะไม่ทุกข์ทรมานมากอาจจะมีความทุกข์ทางกายนะแต่ว่าใจเนี่ยนะไม่ไม่ทุกข์อย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยบุญเจ้าทาให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิต นึกถึงความตายแล้วก็อยากจะตายแบบไม่ทรมานอยากจะตายดีเนี่ยนะมันก็จะเป็นตัวเร่งเราทําให้เราเนี่ยพยายามทําบุญทํากุศลแล้วก็เราเป็นความชั่วด้วยนะทำบุญทํากุศลแต่ว่าความชั่วไม่ไม่เลิกไม่ละเว้นนี้มันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าถ้ายัางทําความชั่วยถึงเวลาตายเนี่ยมันก็ตายไปทุรนทุรายเหมือนกันเพราะว่านึกถึงความชั่วที่ได้ทําบางทีเกิดความหวาดกลัวว่า ตายแล้วจะไปอบายไปนรกนะมันก็ทำให้เกิดอาการหึดฮัดขัดขืนต่อสู้วความตายเกิดอาการผวาหลายคนเป็นอย่างนั้นหรือมิฉะนั้นก็เกิดเกิดนิมิตเกิดภาพจะเป็นภาพล้อหรือเป็นภาพที่สืบเนือ่องความชั่วที่ทาในอดีตก็ได้อย่างคนที่เขาฆ่าสัตว์อยู่เป็นประจำเนี่ยนะเวลาจะตายหลายคนก็ เห็นภาพนะเห็นภาพสัตว์ที่ตัวเองกำลังจะฆ่าหรือฆ่าไปแล้วมันมาร้องโหยหวนหวาดผวาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการซ้ำเติมนะกายมันทุกข์อยู่แล้วใจก็ยังทุกข์ตามไปด้วยถ้าไม่อยากให้เจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็ต้องเล่เป็นความชั่วแล้วก็ทำความดีมากๆสร้างบุญสร้างกุศลหลายคนนะเสียใจว่า สิ่งที่ควรทําไม่ได้ทำํำนะให้เวลากับพ่อแม่ก็ไม่ได้ให้นะให้เวลากับลูกก็ไม่ได้ทำํำนะเวลาจะตายก็เสียใจก็มีนะเสียใจว่าฉันเนี่ยละทิ้งสิ่งที่ควรทําหรือว่าเกิดความอาลัยเกิดความห่วงวิตกกังวลว่าเนี่ยฉันตายแล้วเนี่ยลูกจะอยู่อย่างไงนะ คนที่หัวงแบบนี้เพราะว่าตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยสุขภาพดีเขาไม่ได้ดูแลใจใสเขาอย่างจริงจังนะไม่รู้ว่าไปเพลิดเพลินความสุสนุกสนานหรือว่าไปมัวแต่หมกมุ่นกับงานการอันนี้เร้ ว, ว่าลืมนะลืมตัวหรือขาดสติแต่ถ้าเรานึกถึงความตายนะว่าสักวันนี้ต้องเกิดขึ้นกับเราไม่ทำให้เรานะไม่รอแต่จะ พยายามให้เวลากับคนที่เรารักพยายามทําหน้าที่ที่เรามีกับคนที่อยู่รอบข้างและใกล้ตัวนอกเนือจากการทําความดีหรือการทําหน้าที่กับส่วนรวมด้วยเรียกว่าการนึกถึงความตายเนี่ยหรือมรณสติเนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นเร่งเราให้เราขวนขวายทําความดีแล้วก็ทําหน้าที่นะที่ที่ควรทําแล้วก็ไม่รอให้มันค้างค้าง หรือว่าไม่ได้แตดต้องหน้าทีนี้อาจจะรวมไปถึงว่าเออเราทําผิดกับใครก็ขอโทษขอโพยเขาซะไม่ใช่พอเวลาจะตายแล้วก็มา น, นึกเสียใจยังไม่ได้ขอคํามายังไม่ได้ขอโทษนะอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้คนจํานวนไม่น้อยก็ตายแบบทรมานบางคนตายตาไม่หลับเพราะว่ารู้สึกผิดที่ได้ทําไม่ดี กับคนใกล้ตัวเช่นพ่อแม่หรือแม่แต่กับลูกหรือกับเพื่อนร่วม ง, งานแบบนี้นี่เจอบ่อยนะจะตายแล้วตาค้างไม่ยอมตายสักทีทั้งที่เอาไว้ว่านี่แย่หมดแล้วเพื่อที่จะได้เราโอกาสที่จะขอโทษนะกับคนที่ตัวเองทําไม่ดีเอาไว้ให้พอเรื่องงความตายเนี่ยนะไอ้สิ่งที่ควรจะทําเนี่ยเราก็จะไม่รั้งรอนะจะไม่ปล่อยให้มันผ่านไปโดยการอ้างว่าเอ้ยเอาไว้ทําวันหลังก็ได้เดี๋ยววันหลังก็มี เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไอแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นนะมันจะรีบทำเลยรีบทำความดีรีบทำหน้าที่แล้วก็มันจะกระตุ้นให้เราเนี่ยการปล่อยวางนะเพราะถ้าไม่ปล่อยไม่วางเนี่ยมันก็ตายท ร, รมานนะคนที่ไม่อยากจะตายท ร, รมานเนี่ยจะฝึกจิตฝึกใจให้ปล่อยให้วางนะแตไม่ใช่แค่ฝึกด้วยการเข้าคอร์สนะมาปฏิบัติรำนะแต่สามารถจะฝึกได้ในชีวิตประจาวัน วเวลาเจอความทุกเนี่ยนะเจอความทุกเจออกหักเจอความเจ็บปวยเจอความพัดพรากเจอความสูญเสียเนี่ยสูญเสียทรัพย์สูญเสียคนรักคนที่คนส่วนใหญ่ก็จะฟูมไฟนะเศร้าโศกเสียใจหรือว่าโกรธนะเสียสูญแต่พอนึถึงความตายนะให้ความทุกแบบนี้มันจะกลายเป็นเรื่องเล็กนะมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลย เพราะว่าความทุกข์ทั้งหลายที่เราเจอเนี่ยนะไม่ว่าเคยเจอมาแล้วในอดีตหรือว่ากำลังเจออยู่เนี่ยนะมันจะเล็กน้อยมากเมื่อเทียวกับความตายเงินหายถูกโกงนะวยฟูมไฟมากมายแต่ที่จริง เ, เงินแค่แสนหรือเงินแค่ล้านมันน้อยนิดมากเมื่อเทียวกับเงินที่ทั้งหมดที่เราต้องสูญเสียไปเวลาเราตายบางคนถูกต่อว่าด่าทอก็เสียใจโมโห ไอ้พวกนี้มันก็ยังน้อยนะกับความเจ็บความทุกข์ทรมานเวลาจะตายเนี่ยคือเวลาเรานึกอย่างเนี้นะว่าความตายเนี่ยมันเป็นสุดยอดของความทุกข์ทั้งปวงเนี่ยไม่ช่วยทําให้เราเนี่ยนะปล่อยวางความทุกข์หรือก้าวข้ามความทุกข์ต่างๆไปได้ง่ายเพราะเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กมันกลายเป็นเรื่องเล็กไปหมดนะเมื่อเทียบกับความตายอัสตีจอบเนี่ยนะซึ่งเขาก็เป็นคนที่ดูเหมือนว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตทางโลกมาก แต่ว่าตอนที่เขาป่วยนะด้วยโรคที่รักษาไม่หายเนี่ยโรคมะเร็งตับอ่อนเนี่ยเขาก็หมั่นจเจริญมรณะสตินะแล้วเขาก็พูดว่าเนี่ยการราู้ถึงความตายหรือมรณะสติน่ะมันเป็นเครื่องมือที่ประเสริฐมากเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเวลาเขามีความทุกข์นะเช่นความทุกข์เพราะความเทอะทะยานเพราะความผิดหวังนะเสียใจเพราะว่าหน้าแตกหรือว่าไม่ประสบความสําเร็จเนี่ย ใอ้ความทุกข์เหล่านี้มันจะหายไปเลยเวลานึกถึงความตายที่มันหายไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เทียบไม่ได้นะนะกับความตายที่จะต้องเกิดขึ้นกับเรานะไม่วันใดก็วันหนึ่ง ล, ลองดูนะเวลาเราทุกเรื่องอะไรนะนะไม่ว่าทุกที่เกิดกับร่างกายทุกที่เกิดกับหน้าตาทุกที่เกิดกับงานการทุกที่เกิดเพราะคนรักนะเราจะลืมตัวนะ ภูมิไฟใคร่คร่ำครวนแต่ทันทีที่ึกถึงความตายแล้วนึกถึงจริงจังนะไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องจิบจอยไปเลยแล้วมันทําให้เราเนี่ยผ่านผ่านเรื่องราวแบบนั้นไปได้ผู้หยาดคือมันทําให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้นจึงเรียกว่าจิบจอยจึงบอกว่ามันเป็นเครื่องมือนะที่วิเศษมากที่มนุษย์ได้คิดค้นขึ้นมาอาจจะยิ่งกว่าไอโฟนนะที่เขา การที่เกิดขึ้นด้วยซ้ําห้เวลาเราเจอความทุกข์อะไรก็ตามเนี่ยนะถ้าเราไม่นึกถึงนิพพานเนี่ยนะลองนึกถึงความตายดูบ้างนะคนที่ฉลาดก็กนึกถึงนิพพานอ๋อพวกนี้คือแบบฝึกหัดที่มาฝึกให้เราปล่อยวางนะเพื่อหรือเพือ่อให้เราจะได้นะปล่อยวางในสิ่งที่ยากที่สุดในวันหน้านะก็คือไอ้ความยึดติดในตัวกูของกูนะหรือว่าถ้าหากว่า ใจเนี่ยไม่ได้นึกไปถึงพระ น, นิพพานเพราะไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าเรือจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลไกลเกินเอื้อมก็นึกถึงความตายก็ได้มันใกล้มากแล้วมันเป็นของจริงพอนึกถึงความตายปุ๊บนี่นะมันก็จะทําให้เราตันหนักว่าโอ้ทุกแค่นี้ยังผ่านไปไม่ได้นะแค่รถติดยังหัวเสียตกเครื่องบินก็ยังโวยวายแล้วถึงเวลาตายเนี่ยจะจ ะ, จะตายอย่างสงบได้อย่างไร นะลองคิดแบบนี้บ้างนะไอ้ทุกทั้งหลายที่เราเจอเนี่ยนะหมดเนื้อหมดตัวหรือว่าลืมตัวไปกับมันนะลองตั้งสติคิดสักหน่อยว่าแค่นี้ยังไม่ผ่านเลยแล้วถึงเวลาตายจะตายสงบตายดีได้อย่างไรนะไม่ทำให้เราได้คิดนะไม่ทำให้เราเนี่ยเออกล้าที่จะสลัดนะกล้าที่จะปล่อยกล้าที่จะวางหรือเห็นความจำเป็นนะ จริงมันปล่อยวางไปได้เองนะพอเราคิดแบบนี้จริงจังเนี่ยเพราะมันจะกลายเป็นเรื่องจิ๊บ้อยมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กซึ่งนะถ้าเรามองแบบนี้ได้นะเวลาเราเจอความทุกข์อะไรเนี่ยแม้เราไม่อยากเจอก็ตามความเจ็บป่วยความอกหักงานล้มเหลวนะเสียหน้านะพอมีคนมาต่อว่าเราจะมองว่ามันคือแบบฝึกหัดมันคือแบบฝึกหัด นะสําหรับบททดสอบที่ยากที่สุดนะซึ่งจะมาถึงอย่างแน่นอนบทบทดสอบนั้นคือความตายนะเป็นข้อสอบนะเป็นการสอบไล่ของวิชาชีวิตนะไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันก็คือการสอบนะสอบซ่อมสอบย่อยนะเป็นการทดสอบว่าเรา นะสามารถจะผ่านนะหรือว่าเป็นการทดสอบว่าเราพรอบนะที่จะตายอย่างสงบไหมเมื่อวันนั้นมาถึงลองมองว่ามันเป็นบททดสอบนะอย่างที่พูดเมื่อวานเป็นการทดสอบว่าเราสามารถจะไปถึงนิพพานได้ไหมอันนี้ก็อันหนึ่งหรือถ้ารู้สึกว่าโอ้มันนิพพานนี่มันคงไปยากเนะีก็ลองทดสอบดูว่าเนะี่ยเราจะตายอย่างสงบได้ไหมเนะี่ย ถ้าไม่ได้เพราะว่ายังหัวเสียยังกลุ้มใจนะก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าสอบตกแล้วก็เตรียมตัวใหม่เตรียมตัวสอบให้มันดีขึ้นเพราะว่าข้อสอบเนี่ยมันจะมาเรื่อยๆนะมันจะมาเรื่อยๆตามวันเวลาอย่างที่เราได้สวดตอนเช้านะว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วนะเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้ว ไอ้ทุกเบื้องหน้าเนี่ยมันก็ใหญ่ๆคือนะความแก่ความเจ็บความพัฒภาคสูญเสียและความตายความแก่ความเจ็บนะเป็นเรื่องที่หลายคนกลัวนะหนุ่มสาวหลายคนเนี่ยกลัวมากเลยนะความแก่เนี่ยอายุ20ก็รู้สึกตัวเองแก่แล้วนะแต่นี่มันยังเป็นเรื่องที่จิบจอยนะความแก่นะพอแก่แล้วเนี่ยก็ยังสามารถจะมีความสุขได้นะ แต่พอนึกถึงความตายเนี่ยไอความแก่นี่ชิดซ้ายไปเลยนะทุกเพราะว่าเป็นสิวทุกเพราะว่าผมงอกทุกเพราะว่านะผิวย่นนะหนังเหี่ยวเนี่ยกลายเป็นเรื่องจิบจอยไปเลยนะเมื่อเที่บความตายถ้าหากว่าวันนี้ยังทุกเพราะไอ้เรื่องนี้นะแล้ววันนั้นเนี่ยนะจะเอาตัวรอดได้อย่างไรนะคิดแบบนี้ไหมทําให้เรานะหนึ่งก็ฝึกใจให้รู้จักเข้มแข็ง แล้วก็ฝึกให้รู้จักปล่อยวางให้เร็วขึ้นและขณะเดียวกันก็ทำให้เราเนี่ยนะอยู่กับมันได้โดยใจยสงบนะมันจะแ ก, ะก่กออ็ช่างมันอยู่กับความแก่ให้ได้ถึงเวลาป่วยอก็ถือว่านี่เข้ามาฝึกมามามาสอนเรานะให้รู้จักปล่อยวางเพราะว่าวันหน้าจะต้องเจอหนักกว่านี้นะวันหน้าาต้องเจอความเจอทุกขเวทนาที่ยิ่งกว่านี้ ถ้าวันนี้ยังไม่ผ่านแล้ววันนั้นวันหน้าจะผ่านไปได้อย่างไรพอคิดแบบนี้มันก็ทําให้ใจปล่อยวางได้นะหรือว่าพยายามที่จะก้าวข้ามมันไปให้ได้ด้วยการฝึกจิตด้วยการพัฒนาสติและปัญญาให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยน ะ, ะให้เราถ้าเราเป็นผู้ที่ฝ่ายความเจริญงอกงามของชีวิตเนี่ยนะก็ขอให้ลองนึกไว้สองอย่างนะเป็น เป็นบทหมายของชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือทั้งสองอย่างพร้อมกันเลยก็ได้คือหนึนะมีนิพพานเป็นจุดหมายของชีวิตหรือ2นะรรู้ถึงความตายอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งนะมันต้องเกิดขึ้นกับเรา 2. ออย่างเนี่ยเป็นตัวช่วยนะที่จะที่จะผลักดันให้เราเนี่ยก้าวก้าวอย่างมั่นคงบนเส้นทางแห่งความดีเส้นทางแห่งบุญกุศลการสร้างบุญบรารมี และขนาดเดียวกันก็เป็นตัวช่วยทำให้ปัญหาต่างๆความทุกข์ต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องจิ๊บจอยนะเป็นเรื่องที่พอทนไหวและอาจจะมองว่ากลายเป็นของดีด้วยซ้ำนะเป็นแบบฝึกหัดเพื่อทำให้เราเข้มแข็งขึ้นมีสติมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นไอ้สิ่งไร้ไรๆที่ไม่อยากเจอมันจะกลายเป็นของดีไปทาให้เรายิ้มรับกับมันได้นะเราชาตนี้กับภพเทวนี้อ้าวครับพระ